เชา้าได้พูดถึงพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะนสมัายพุทธการที่ก่อนจะบรรลุอรตะผลนี่นท่านบวช ร, รศึกเนี่ยถึงหกครั้งที่บวชเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกแต่บวชเพราะว่าเห็นชีวิตพระนี่ สะดวกสบายกว่าชีวิตคาราวาเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงโคก็อยู่อย่างอตคักทำงานหนักแต่ว่าอาหารที่เลียกชีพนี้ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ร่างกายผ่ายพร้อมแต่พอได้มาเห็นว่าพระนี่มีอาหารพิธบาทหรือเฟือ ไม่ต้องทำงานหนักอะไรด้วยผลแค่นี้แล้วนะก็ตัดสินใจบวชบวชแล้วก็ร่างกายก็อ่อนทวนไม่อดอยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักแต่ว่าตอนหลังก็สึกไปนะเพราะว่าคิดถึงเมียแล้วก็ คงจะเห็นว่าชีวิตคาราวาร่านี่มันมีอิสระเสรีมากกว่าแต่พอไปเป็นคาราวาชข้าสักพักหนึ่งก็รู้สึกลำบากสู้เป็นพระไม่ได้ก็กลับมาบวชใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยหกครั้งบวชบวสึกสึกอันนี้จะว่าไปก็เป็น แบบอย่างหรืออุทาหรณ์นะของผู้คนจํานวนมากทีเดียวที่ไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นตอนเป็นครรครุษหัดก็อยากเป็นพระพอเป็นพระก็อยากเป็นกลับไปเป็นครุษหัดกลับไปเป็นค า, ารวะที่ ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวมีสิ่งที่ทตัวเองเป็นเนี่ยก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่ามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้คนจุนวนมากก็เป็นอย่างเงี้ยนะแม้ว่าสิ่งที่ตัวมีสิ่งที่ตัวเป็นนี่มันจะดียังไงแต่พอมองเห็นว่า เรายังไม่มีอย่างโงดเรายังไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เกิดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นมันก็คล้ายๆกับคนโสดนะอยากมีคู่พอมีคู่เสร็จนะก็อยากจะกลับมาเป็นคนโสดอันนี้นะเป็น ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากมันก็เพราะเหตุผลเดียวกันนะก็คือว่ามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มียังไม่ได้เช่นตอนที่เป็นพระก็เห็นว่าตอนเป็นคาราวาร่านเนี่ยเรามีอิสระเสรี ซึ่งเราทำไม่ได้ในใครที่เป็นพระหรือว่าเราได้อยู่มีโอกาสได้เชยชมภรรยาแต่เราทำง่ายไม่ได้ในใครที่เป็นพระพอมองแบบนี้นะมันก็ทำให้อึดอัดนะกับความเป็นพระแต่พอไปเป็นฆราวาสนะก็ได้ทำอย่างที่ต้องการนะ มีสระเสรีได้อยู่มีภรรยาปรนิบัติแต่ว่าลำบากต้องทำงานหนักไม่เหมือนพระเลยนะพระนี่ไม่ต้องทำงานมากแค่บิณฑบาตเลี้ยงชีพแล้วก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์พออย่างนี้เข้าก็รู้สึกอึดอัดกับความเป็นคารัษฐ์กับความเป็นคารวะ บวช ด, ดีกว่าคนโสดก็เหมือนกันนะคนโสดเนี่ยก็เห็นว่าถ้าเรามีคู่เนี่ยมันดีอย่างง้นดีอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีนะตอนที่เรายังโสดก็เลยไม่พอใจอความเป็นคนโสดก็พยายามหาคู่พอได้คู่ได้แต่งงานแล้วก็ก็ไม่มีความสุขอีกนะเพราะว่า ไปเห็นว่าชีวิตคารวานเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไอชีวิตคู่เนี่ยมันทําไม่ได้พอเห็นสิ่งที่ไม่มีหรือมีไม่ได้นะในฐานะที่มีคู่ก็เกิดความอึดอัดอยากไปเป็นคนโสดพอกลับไปเป็นคนโสดไม่ใช่ไม่นานก็อยากมีคู่อีกนะเราก็เห็นนะคนที่ แต่งงานแล้วก็อย่าอย่าแล้วก็แต่งใหม่แต่งแล้วก็อย่าอันนี้ก็เหตุผลเดียวกันนะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เป็นเนี่ยก็เพราะเราเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่ได้มาในชีวิตหรือว่าในสถานการณ์ของคนอื่นก็เลยทําให้ไม่สามารถจะชื่นชม หรือเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันได้คนเราเนี่ยมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในสองสถานการณ์นะคือหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้มาหรือสองตอนที่เสียไปละแต่ตอนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยโอยอยากจะได้เหลือเกินคิดถึงมันเช่น เสื้อผ้านะข้าวของเครื่องใช้อยากได้เหลือเกินแต่พอได้มาแล้วก็ดีใจไปเดี๋ยวประดาวสักพักก็หรือไม่นานก็เฉยเฉยมันหมดเสน่ห์ไปซะแล้วจะมีคุณค่าหรือได้รับความสนใจจากราอีกทีก็ตอนที่มันสูญหายไปแล้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนนะัสโสรดินนะ นักวดดียนมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไปทำงานรับจ้างมานะตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยบอกว่าค่าจ้างที่ได้มาเนี่ยมันแค่เหรียญเดียวเขาก็ไม่พอใจมากเลยนะกลับไปบ้านก็โบนปอดแปดแล้ว่าเนี่ยว่าทงานหนักได้มาแค่เหรียญเดียวเป็นเศษเงินแท้ๆเลย ก็พอดีนันสโลดินเนี่ยแวมาหาเพื่อนที่บ้านได้ฟังเพื่อนบ่นนะวพราะเนี่ยทำงานหนักแต่ว่าได้มาแค่เศษเงินเพื่อนบ่นสักพักเพื่อนก็โยนเหรียญลงพื้นไปเลยไม่เห็นคุณค่าของมันรู้สึกเสียดายนะ ที่ทูบเททางานหนะักแล้วก็ได้มาแค่เนี้ยเห็นมาเป็นแค่เศษเหรียญทั้งที่จริงก็เห็นเหตุหการณ์นะแกก็ชวนเพื่อนคุยสัพเพเหตุแล้วพอเพื่อนเผลอเนี่ยก็เอาเศษเอาเงินเหรียญเนี่ยที่ทิ้งลงบนพื้นเนี่ยซ่อนใจกระเป๋าอันนี้เมียของเพื่อนเนี่ย กลับมาบ้านก็ถามเนะี่ยวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ฝ่ายสามีก็บอกว่านะได้เงินแค่เหรียญเดียวเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้นะมองหาเหรียญหาไม่เจอเขาตกใจเลยนะพยายามหาแล้วหาอีกนะก็หาไม่เจอรู้สึกเสียดายเงินนั่นขึ้นมาเลย นักสุดินก็แก้งช่วยหาด้วยนะชายคนนั้นเนี่ยกบด น, นะโอ้ยไม่น่าเลยนาะไม่ทันได้ใช้เลยหายซะแล้วมันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเลยนะหาแล้วหายอยหาไม่เจอเจ้าพักนักสุดินก็ล้วงเงินเสร็จล้วงเงินล้วงเหีเงินออกจากกระเป๋า แล้วก็วางไว้บนพื้นตอนที่เพื่อนนี่เผลอเสร็จแล้วก็ชี้มาที่เหรียญแล้วก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนพอเห็นเหรีเงินนะโอยดีใจอเลยนะโอ้ยหยิบเงินนั้นมาอย่างทนทุถ น, นอมเลยไอตอนแรกเนี่ยนะมันตรงข้ามกับตอนแรกเลยนะโยนเหรียญยังไม่อะไรยังไม่ใหญ่ดีเลย แต่ตอนนี้เนี่ยทนรู้ทนทนอนมันมากเหลือเกินเนี่ยเพราะอะไรนะก็เพราะว่าตอนที่มีเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าของมันแต่พอมันหายไปเนี่ยก็กลับมาเห็นค่าเพราะฉะนั้นก็เลยดีใจที่ได้กลับคืนมาอันนี้ก็เป็นอุบายของนัสสุรดินนะที่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยแทนที่จะเสียใจที่ได้เงิน ได้เงินน้อยเนี่ยกลับมาเป็นคุณค่าของเงินนั้นแล้วก็ดีใจนะที่ได้เงินกลับคืนมานักเศรีเนี่ยเขารู้นะธรรมชาติของคนเราเนี่ยไอตอนที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่หรอกแต่พอมันหายไปสหรือสูมันไปเนี่ย มันจะกลับมีค่ามีความสําคัญขึ้นมาถ้าสรุ็เลยรู้ว่าเนี่ยจะทําให้เงินนี่มีค่าในสายตาของเพื่อนเนี่ยก็ต้องทําให้เงินมันหายไปก่อนเก็เป็นคนฉลาดนะเข้าใจจิตวิญญายของคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องที่บอกนะคนเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็สองช่วงด้วยกันคือตอนที่ยังไม่ได้มากับตอนที่เสียมันไปแล้ว ที่จึงไม่ใช่แค่สิ่งของหรือเงินนะคนก็เหมือนกันนะีนผู้ชายคนหนึ่งนะแกชอบนะผู้หญิงคือเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็หลงนะใน เ, เพื่อนหญิงคนนี้มากวันไหนไม่เห็นหน้าอย่างน้อยก็ขอให้ได้เห็นบ้านเห็นหลังคาบ้านก็ยังดี แล้วตอนหลังก็พยายามที่จะสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งตอนหลังก็กลายเป็นแฟนกันก็เลยดีใจมากเลยนะยเลยพอเมื่อวันหนึ่งเนี่ยแฟนก็ให้ภาพถ่ายของเธอเนี่ยใช่กับชายคนนี้ไปดีใจมากเลยนะเอาภาพถ่ายใส่กรอบวางไว้ ใกล้หัวนอนทุกคืนเนี่ยก็จะมานั่งพินิษนะภาพถ่ายเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ภาพเนี่ยกลับมาเป็นคนอยากให้ภาพเนกลายเป็นคนมันจะมีความก็จะมีความสุขเพียงใดนะถ้าภาพเนี่ยกลายมาเป็นคนขึ้นมาตอนหลังเนี่ยก็ได้แต่งงานกันนะก็มีความสุขมากนะ สมหวังสมหวังในรักแต่ว่าอยู่ไปเวลาผ่านไปสามปีสี่ปีห้าปีก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่ก่อนดีใจที่ได้คุยนะกับหญิงคนนี้ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันแล้ว ก็เริ่มจะนายแหนงแต่หลังก็เฉยเมยเลยนะผ่านไปแล้ว 7-8 ปปียิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเฉยเมยต่อกันมากขึ้นเจอหน้าก็ไม่อยากคุยเวลาแฟนเรียกกินข้าวก็ไม่อยากได้ยินเสียงเลย เวลาไปทำงานแฟนโทรศัพท์มาถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่จะได้เตรียมข้าวไว้ต้อนรับล้วก็รำคาญมากเลยนะรำคาญเสียนโทรศัพท์กำลังประชุมกันนะหรือกำลังสนุกสนานกับเพื่อนเนี่ยไอ้เมียนี่กลับมาตามบางทีตอนหลังเนี่ยแค่เห็นเบอร์เนี่ยก็เบื่อหน่ายแล้วตอนหลังเนี่ย ึืออยากจะให้แฟนนี่กลับกลายเป็นภาพนะตอนที่คบกันใหม่านี่อยากจะให้ภาพของแฟนนี่กลายเป็นตัวจริงแต่ตอนหลังเนี่ยอยากจะให้แฟนนี่กลับกลายเป็นภาพจะได้ไม่มาวุ่นวายกับชื่อของฉันแต่กอต่อมานะแฟนสาวก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตโอ้ถึงตอนนี้นี่ชายคนนี้นี่จะเศร้าโศกเสียใจมากเลย เศ้าโศกเสียใจมากคลำครวนแต่ก่อนเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์มาเรียกเกิดลำคาญขึ้นมารู้สึกลำคานทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากแฟนแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงโทรศัพท์มาเรียกแล้วโหยหาเสียงโทรศัพท์แต่ก่อนนี่ภรรยานี่ เรียกมากินข้าวนี่ไม่อยากจะได้ยินเสียงเลยเวลาก็จะเอิดปากพูดคุยก็ยไม่อยากจะพูดคุยหันหลังให้แต่ตอนนี้อยากได้ฟังเสียงของภรรยามากภรรยานี่แกทาเรียกว่าอะไรอัดเสียงเวลาตอบรับโทรศัรพท์ผู้ชายคนนี้ก็โทรไปหาเบอร์ ของภรรยาเนี่ยเพื่อได้ฟังเสียงเธอแต่ก่อนเสียงเธอนี่ไม่อยากฟังเลยนะแต่ตอนนี้อยากฟังทุกวันเลยนี่มันก็เป็นเรื่องเดียวนะกับอีกหลายคนนะไอตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยหรือตอนที่เป็นแค่แฟนกันเนี่ยโอ๊ยตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่เคียงคู่กันเนี่ยคิดถึงมาก โหยหามากแค่ได้ฟังเสียงก็มีความสุขแล้วแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันอยู่ไปนานๆก็เบื่อไม่เห็นค่าจะไม่เห็นค่าจริง้วตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งมันก็สายไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นคุณค่าของถ้ากลับมาเห็นคุณค่าของกนและกันนะ แล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้เลยนะเพียงแค่ได้ฟังกันใส่ใจกันเนี่ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันราบรื่นและช่วยกัมีความสุขมีผู้ชายคนนึ่งก็คล้ายกันกับเรื่องที่เล่านะก็มีปากเสียงและห้องระแหนกับภรรยาอยู่ประจา คุยกันความเห็นแทบจะไม่ตรงกันเลยในหลายๆเรื่องหรือแทบทุกเรื่องจนกระทั่งภรรยานี่ป่วยเป็นมะเร็งวันตอนนี้ได้คิดเลยนะพอนึกถึงว่าภรรยาจะตายจากไปนี่เสียใจมากรุ่มใจเสร็จแล้วก็ได้คิดว่าเอ๊ในเมื่อเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเนี่ย ทำไมเราไม่ให้เวลากับเขาใส่ใจเขาตั้าแต่นั้นมา ก, ก็เลยพยายามที่จะฟังเขาแต่ก่อนก็พูดอะไรไปเถียงไว้ก่อนไม่ได้สนใจจะฟังเลยแต่ตอนนี้พอรู้ว่าภรรยานี่จะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยก็หันมาให้ความสําคัญนะกับความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของเธอมากขึ้นตั้งใจฟังพอฟังกันมากขึ้นนะ ก็เกิดความเข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมมีวันหนึ่งคุยกันคุยกันอยากถูกคอนะภรรยาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าฉันไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะมีความสุขแบบนี้ไมเนาะทำให้เขาได้คิดเลยนะโอ้ทำไมเราต้องรอให้ภรรยาเป็นมะเร็งเสก่อนนะเราถึงจะ ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเขาอย่างใส่ใจแต่ก็ยังดีนะที่ยังกลับตัวทันไม่เหมือนกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไม่ได้ใส่ใจในขณะที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่นะจนทั้งพ่อเขาตายไปแล้วถึงข้ามาเห็นคุณค่าอันนี้มันเป็นส่งนักกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้คนจนนมากการที่คนเราเนี่ยมีสิ่งดีๆ แต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าเพราะว่าเราไปมองกไปนอกตัวไปเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีอยากจะได้มามันก็เลยทา ใ, ให้คล้ายๆกับเรื่องของหมาคาบเนื้อนะในทิ่ทานอีศพเนี่ยตอนจี่เดเราคงจำได้นี่หมาตัวนึงมันคาบเนื้อมาเนื้อชิ้นใหญ่เลยมันดีใจมากแล้วมันก็วิ่งไป ไปอย่างที่ที่มันจะได้กินเนื้ออย่างมีความสุขมีช่วงหนึ่งก็ต้องเดินข้ามสะพานมันก็ชงองหน้าไปมองที่ลาธารหรือลาคลองเนี่ยมันก็เห็นเงาตัวเองแล้วเงานี่ยมันก็ใหญ่แล้วมันก็พบว่าในเงานล้นเนี่ยนะเนื้อเนี่ยที่มันคาบเนี่ยมันใหญ่กว่าเนื้อในเงาเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเนื้อที่ตัวเองคาบ มันอยากได้เนื้อก้อนนั้นมากเลยเพราะมันเป็นก้อนที่ใหญ่กว่ามันก็เลยอาบปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อในเงานั้นเนี่ยพอมันอาบ ป, ปากเอกว่าเนื้อในปากมันก็หลุดตกลงมาตกลงแม่น้ำและเนื้อในเงานั้นเนี่ยก็หายไปเป็นนว่าหมดเลยนะอดทั้งสองอย่างให้คนเราเนี่ยว่าเรากลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะ เราจะมีความสุขได้ง่ายอาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะไม่ใช่ผู้คนนะแต่จะเป็นสุขภาพของเราอาจจะได้แก่ลมหายใจของเราที่ยังหายใจได้ปกติรวมถึงการที่เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้การที่เรายังมองเห็นการที่เรายังได้ยินหลายคนเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะแต่กลับไม่เห็นค่าและไม่รู้สึกว่าตัวเองโชคดี กลับไปมองว่าเนี่ยฉันยังไม่มีโน้ตยังไม่มีนี่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินรู้สึกว่าทุกกระทมเหลือเกินทำไมฉันจึงลำบากแบบนี้ทั้งที่ตัวเองก็มีสิ่งดีๆในตัวนะสุขภาพความปกติสุขอิสระภาพที่เดินไปไหนมาไห น, ไ, หนได้แต่กลับไม่เห็นค่านะเพราะว่า มัวแต่ไปสนใจสิ่งที่ตัวยังไม่มีซึ่งเป็นอนาคตงั้นถ้าเรากลับหันกลับมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่นะแล้วก็ไม่ไปพะวงหรือให้ความสนใจกับสิ่งที่ยังไม่มีเนะี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายแล้ว น, นี่แนะคือความหมายหนึ่งของการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดการทําปฏิบัติให้ดีที่สุดในความหมายหนึ่งคือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เรายังไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่เ ร, เรามีอยู่ในขณะนี้ได้เนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกน ะ, ะว่าเราเนี่ยทาปัจปจุบันให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ลมปากนะพอแม้กระทั่งสิ่งดีๆเนี่ยเรายังมองข้ามไม่เห็นคุณค่าแล้วเราจะเรียกว่าเราทําสิ่งตามปัจจุบันให้ดีที่สุดได้อย่างไรแต่การที่เราจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดในความหมายเนี่ยคือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไม่ไป กพวงอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือไม่ไปมัวกู้มหมวกกมใจกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยมัต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเวลาใจมันเผลอคิดไปถึงอนาคตซึ่งล้วนแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่มีก็ก็อย่าปล่อยให้ใจมันลอยไหลไปอนาคตจนเกิดความรู้สึกอึดอัดกับสภาพที่เป็นอยู่ กวะจายมันไหลไปลอยไปจมอยู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ไม่ปล่อยให้มันไปจมอยู่กับความสูญเสียรู้ทันมันมีสติเห็นนะรู้ทันเมื่อใจไหลไปอดีตลอยไปนาคตแล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งถ้าทำี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเรู้วิธีที่จะ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ก็คือหันมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีเย็นนิวปูโตนีนะอะกะอกลับพาะพร้อมกัน